ผู้สงบจิตได้ย่อมอยู่เป็นสุข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 เรี่าเป็นสภาวะของจิตสภาวะเนี่ยสภาวะธรรมคือจิตเนี่ยทำหน้าที่รู้สังเกตว่าคนที่มีจิตเนี่ยคือคนที่ไม่ตายคะนะคนที่ตายแล้วมันเป็นซากศพนะไอ้ น, นั้นเขารู้อะไรไม่ได้หรอกค่ะเนี่ยเขาจะนอนนิ่งเราจะเอาไม้ไปทิ่มตาทิ่มหูเลี้วเข็มไปแทงเอามีดไปฟันคอนะเขาก็จะไม่รู้สึกเนี่ยแสดงว่าคนตายเนี่ยไม่มีจิต แต่คนเป็นๆ เ, เนี่ยยังเดินได้นั่งได้พูดได้เนี่ยทุกคนมีจิตคือมีสภาพที่รู้อะไรอะไรได้เนี่ยคือเรื่องของจิตก็อยู่ในตัวเราเนี่แหละใช่ไหมเราจะรู้อะไรหลายๆอย่างใช่ไหมอย่างตอนได้ยินเสียงเนี่อรู้ว่าเราได้ยินเสียงอันนี้คือสภาพของจิตเขาทํางานเลยค่ะนี่คือเรื่องของจิตแล้วก็มีอีกอย่างหนงก็คืออาการจิตต้องมีอาการ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 ดีไหมชอบหรือไม่ชอบคือสภาพที่ต่อจากรู้เฉยๆมาเป็นความคิดละ่ะเรียกว่าอาการของจิตคือความคิดก็ได้ได้ใช่ไหมคะได้เลยหรืออารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็คืออาการของจิตนั่นแหะถ้าอย่างนี้ก็ฟังแล้วจะเข้าใจชัดเจนขึ้ น, นเพราะว่าถ้าบอกอาการของจิตนี่เอ๊ะแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะ <S <S> <S ถ้าบอกว่าความคิดหรืออารมณ์เนี่ยนะคะ ดูจะเป็นภาษาที่คุ้นชินครับกับคนทั่วไปแล้วก็จะเข้าใจได้เลยค่ะต้องแยกกให้ถูกนะระหว่างจิตกับอาการจิตกับอาการของจิตเนี่ยคือสภาพที่รู้อาการคือสิ่งที่มาผสมปรุงแต่งแต่ถ้าเราอุปมาเป็นรูปธรรมสักหน่อยจะเข้าใจง่ายๆเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตดีกว่าน่าจะดีค่ะจิตเนี่ยเปรีบเสมือนหลอดไฟเปรียบเสมือนหลอดไฟแล้วอาการของจิตเนี่ย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 ใครเป็นผู้รู้ในอาการเมื่อมีความคิดเมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีจิตผู้รู้อยู่ต้องแย ก, กได้ว่าอะไรคือจิตผู้รู้อะไรคือความคิด mm hmm. ความคิดอารมณ์ก็คืออันเดียวกันเราจะสังเกต ง, ง่ายๆก็คือความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีเป็นเรื่องของสมมุติเป็นสมมุติว่าอ๋อเนี่ยมันใครพูดเสียงใครดีหรือไม่ดีอันนี้เป็นสมมุติแหละคแต่ว่าจิตผู้รู้เนี่ยมไม่ใช่สมมุติมันจะมีสภาวะที่รู้เลย รู้เลยรู้ในสมมติเพราะนั่นอะไรที่มันจริงกว่ากันคือจิตผู้รู้เนี่ยจะจริงกว่าส่วนตัวสมมุติคือความคิดเนี่ยมันไม่ค่อยจริงอะแต่แต่เราจะสมมุติเรียกชอบไม่ชอบสีนั้นสีนี้แต่แล้วก็ตามแม้แต่ตัวจิตนี่มันก็ยังไม่จริงจิตทําหน้าที่รู้แต่บางทีมันก็หลงเหมือนกัแนแปลว่าจิตผู้รู้เองเนี่ยมันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงมันรู้ได้มันก็หลงได้ครัเนาะเพราะถ้าเวลาเราปฏิบัติเราเจริญสติเนี่ย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 ความสุขตัวกับความคิดเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรเพราะเวลาเราจเจริญสติเนี่ยจเจริสติเนี่ยคือการจเจริญความรู้สึกตัวแล้วบางทเีเรารู้สึกตัวหรือเราคิดมันบางทมันแยกกันไม่ออกนะคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยเราคิดเอาหรือเรารู้สึกเอาอันนี้ก็สําคัญนะอันนี้เป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยเราจะสัมผัสได้คือมันรู้เฉยๆ ร่วนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของจิตก็แต่เรื่องความคิดเนี่ยมันจะมีการปรุงแต่งต่อเติมเออเรารู้จริงหรือเปล่าเนี่ยมีความสงสัยเอ้มันชัดไหมนี่เราไม่รู้นี่เราคิดเอาเนี่ยไอความสงสัยนี่มันจะเป็นความคิดแหละเอาง่ายๆลองไดดีทารองเอามือข้างใดข้างหนึ่งไว้ข้างหลังเอามือข้างใดข้างหนึ่งไว้ข้างหลังข้างขวาก็ได้เราลองทําความรู้สึกตัวแบรการกํามือแบมืออยู่ข้างหลังดลยลองกํามือ แล้วก็รู้สึกแบมือกำให้รู้สึกแบให้รู้สึกให้เจตนารู้ลงไปที่มือกําลังกำกำกําลังแบที่ำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำ้ำกำกำกำกำกำกำกทกำกำกำริกเร า, ร า, นนเรารกำนะกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำก่กำกำมำคำกำกำกำกำกำกำกำ้ำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำลำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำก่กำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกกำกำกำก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 ที่เวลาเราพลิกมือเล่นเนี่ยให้รู้เยรู้ที่มือทะลุที่มือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความคิดมันเป็นมือเป็นสมมุติทะลุ่าการที่มันเคลื่อนเคลื่อนไหวอ๋อมันเคลื่อนมันไหวให้รู้รู้ว่าการไหวไหวนี่แหละเป็นรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีการปรุงแต่งรู้ว่าการที่มันไหวไหวอนนี้เรื่องรู้ของจริงแต่ทีนี้ถ้ารู้ไหวไหวบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วใครเราเป็นผู้รู้ตรงนั้น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 จิตเนี่ยเขามีสภาพที่รู้สึกอยู่แล้วทีนี้การฝึกจิตเนี่ยมันเป็นการฝึกนิสัยเราต่างหากจะลงการฝึกจิตนี่ไม่ใช่เอาจิตมาฝึกนะคะไม่ใช่คือฝึกนิสัยของเราอะคือนิสัยของจิตนะ่ะคืออาการที่มันมันปรุงมันแต่ง น, ะนิสัยของจิตจิตเนี่ยมันรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะรู้ไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามันถูกอาการมารุมเ้าแต่ว่าจริงๆก็คือความคิดคืออารมณ์คือกิเลส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 อันนี้สำคัญในะการฝึกนิสัยคือนิสัยของจิตเนี่ยชอบทําอะไรตามใจกิเลสตามใจที่มันอยากจะทำวันนีการฝึกจิตเนี่ยคือฝึกตัวนิสัยนะเขาเรียกอะไรภาษาเขาเรียกว่าฝึกขัดดัดนิสัยฝึกขัดดัดนิสัย <c oughs> คือความเคยชินเราเนี่ยชอบทําอย่างนี้อย่างนี้นะชอบทําอะไรก็ติดสุขติดความโกรธเนี่ยนิสัยของจิตมันเป็นอย่างนั้น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 เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเป็นทุกข์อีกแล้วมันทําให้เราเกิดการยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันก็ต้องให้ได้อย่างใจอย่างใจกิเลสต้องยึดมั่นถือมั่นให้ได้อย่างใจแล้วต่อไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเราก็จะเป็นทุกข์เวลามันไม่ได้อย่างใจการฝึกจิตเพื่อให้รู้ความจริงของง่ายจะตัวกิเลสเดี๋ยวเอาจิตมาดูความคิดเอาจิตมาดูอารมณ์นั่นเองเอาจิตมาดูจิตนั่นเองเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยก็คือการมาอาศัยสติสิ่งที่จะรู้เท่าทันกิเล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 ให้จิตเนี่ยมันรู้ให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเป็นวิปัสนาคืออะไรก็คือเอาสภาพที่มาเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นสรภาพที่เป็นสมมุติให้รู้สึกโดยปรมัตดโดยสมสมุติคือพุโทโธพุโทโธสมมุติอันนี้เป็นสมถะถ้าโดยปรมัตดคือความรู้สึกล้วนๆเนี่ยอย่างนี้ใชเวลาดูดลมหายใจเนี่ยหายใจเข้ารู้เห็นไหมหายใจออกรู้อันนี้โดยปรมัตดคือรู้หรือใช้วิธีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเนี่ย อาการที่มันเคลื่นเคลื่อนไหวๆเนี่ยเนี่ยมันเป็นอารมณ์ปรามาัดเป็นของจริงไม่ใช่สมมติพอรู้เฉยๆเนี่ยจิตมันก็สงบไปในตัวเพราะฉะนั้นการฝึกจิตเนี่ยทำให้จิตสงบได้เนี่ยนทาให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขอยู่ไม่ไกลหรอกถ้าเรารักษาใจสงบเขาไว้ก็ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยความเพียร น, นี่แหละถึงที่สุดแล้วก็คงต้องกล่าวคําพุทธภาษิต